พระบัญญัติ 1,014 ก็ภิกษุณีใดเรียนเดริชานวิชาต้องอวดปาจิตตีเรื่องภิกษุณีชาพาคัคีจบ